เจริญพท่านศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่สิบกันยายนพุทธศักราช2546ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวัสนะเป็นวันฝังธรรมเป็นเวลาที่ศรัทธาญาติโยม ผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้จริงเห็นจริงผู้ทรงสัมสอนคำสอนที่ดีที่งามทั้งในเบื้องต้นเบื้องกลางและบั้นปลายให้เป็นแสงสว่างนำพาชีวิต ให้พวกเราได้ดำเนินไปได้ด้วยความราบเรื่อตีางามด้วยความสุขด้วยความเจริญพวกเราที่มากันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งพรรษาและนอกพรรษาก็เนื่องจากว่าเรามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำสอนคำสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงจากเราไป ในพระปัจชิมโอว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเตือนสติให้กับพวกเราไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เทีย่ยงนอจงยังประโยชส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความว่าความไม่ประมาทนั้นก็หมายถึงว่าอย่าผัดวันประกันพุ่งอย่าเลื่อนเวลาในการทาคุณงางควางดีๆ ทำประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมการทำความดีนี้แหละก็คือความหมายของการทำประโยชน์ทั้งส่วนตัวเราและกับผู้อื่นโดยไม่มีโทษอันใดตามมาอย่างที่เราทั้งหลายได้มากระทำกันอย่างต่อเนื่องทุกวันพระทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นก็คือมีการทำบุญทาทาน การรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์จเจริญสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งกับตัวเราและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาณคือทำอย่างสม่ำเสมอไม่ละไม่ประวัติไม่ผัดไปวันวันข้างหน้าเพราะ เรารู้ว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงหมายถึงร่างกายของเรานี้ไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้นความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่อยๆคลื่นคลานเข้ามาแต่ความตายนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองคือลมหายใจ ถ้าหายใจเข้ามาแล้วไม่ได้หายใจออกไปก็แสดงว่าความตายได้มาถึงแล้วหรือหายใจออกไปแล้วไม่ได้หายใจเข้ามานั่นก็เป็นความตายเหมือนกันซึ่งไม่มีใครสามารถกำหนดได้บังคับได้ป้องกันได้ว่าจะให้เป็นไปในเวลาไหนในตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นหรือ พรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าหรือสิบปีข้างหน้าความตายเป็นสิ่งที่เราต่อรองไม่ได้เมื่อถึงเวลาจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นทันทีทันใดเราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของความไม่เที่ยนแท้แน่นอนของสังขารนี้คือร่างกายอันนี้จงคิดเสมอว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเราก็ได้ถ้าวันนี้เราไม่รีบ ใว้โอกาสทำประโยชน์ให้กับตัวเราและกับผู้อื่นด้วยการทำความดีอย่างที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้ทำอย่างสม่ำเสมอคือการคือทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเวลาที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ก็ได้แล้วโอกาสอันดีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ จะปรากฏขึ้นมาได้ยากอย่า ง, ย, างยิ่งพุทธศาสนานี้ไม่ใช่จะมีอยู่ทุกภพทุกชาติที่เราเกิดเพราะ พ, พุทธศาสนานจะมีมาเกิดครั้งหนึ่งก็เป็นเวลาหลายกับหลายกันแล้วก็จะอยู่ได้ไม่นานอย่างศาสนานพุทธของเรานี้พระพุทธองค์ทรงทานายว่าจะอยู่ได้เพียง5000ปีเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครรู้เรื่องของ พระพุทธศาสนาอยู่ต่อไปโลกก็จะเป็นโลกที่มีแต่ความมืดบอดมีแต่ความหลงไม่รู้จากบาปบนคนโทษในะโลกสวรรค์ไม่รู้จากเรื่องราวแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จากเรื่องราวแห่งการละงับดับการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานเหล่านี้จะมีแต่ในสมัยที่มีพระพุทธศาสนายอยู่เท่านั้น พวกเราจึงถือว่าเป็นพวกที่มีโชคสองชั้นคือหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยากสองได้มาเกิดในสมัยที่ยังมีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่มีคำสอนครบถ้วนบริบูรณ์มีผู้ปฏิบัติมีผู้คอยชี้บอกทางแทนพระพุทธเจ้าจึงเป็นถือว่าเป็นโอกาสอันเลิศอันประเสริฐเป็นบุญเป็นวาสนาอย่างยิ่ง จึงไม่ควรที่จะปล่อยให้ลาบอันประเสริฐนี้หลุดจากมือเราไปโดยไม่ได้มีอะไรติดติดเนื้อติดตัวไปกับเราเวลาที่เราต้องตายจากภพนิชาตินี้เพราะถ้าเราเชื่อในพระพุทธศาสนาในคำสอนแล้วเราจะต้องเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่าภพนิชาตินี้นั้นเป็นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเอง เพียงเสี่ยวเล็กๆนิดเดียวของชีวิตอันยาวนานของเราที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผ่านพบน้อยพบใหญ่มานับไม่ถ้วนและก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีอีกหลายกับหลายกันถ้าเราไม่สะสมคุณงามความดีภพชาติของเราก็จะไม่มีหมดสิ้นไปแต่ถ้าเราได้ ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะตัดภบตัดชาติให้น้อยลงไปและพบชาติที่เหลืออยู่ในแต่ละพบแต่ละชาติก็จะเป็นพพชาติที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆมีความสุขความเจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาอยู่ในระดับหนึ่ง มีฐานะการเงินการทองอยู่ในระดับหนึ่งมีอายุไขอยู่ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราสะสมบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราบำเพ็ญกันแล้วภพวหน้าชาติหน้าเราก็จะได้กลับมาดีกว่าเดิมฐานะของเราจะดีขึ้นสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาการเงินการทองสติปัญญา เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นได้เป็นสิ่งที่ไม่สูญหายไปจากการที่เราได้สะสมกันไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติจึงเป็นสิ่งที่เราควรที่จะขวนขวายสะสมอย่าไปสะสมในสิ่งที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้ mm hmm. เช่นลากยศสรรเสริญกัมวสุเหล่านี้เป็นถือว่าเป็นสมบัติของโลกนี้ของชาตินี้เท่านั้น เรามีถ้าเรามัวหลงติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญกามมสุขเมื่อเราตายไปเราก็จะไปตัวเปล่าๆแต่ถ้าเราเอาเวลาสติปัญญาความรู้ความสามารถและเงินทองที่เรามาอยู่นั้นเอามาแปลงให้เป็นบุญเป็นกุศลจะดีเสียกว่าเพราะเมื่อเราไปเราก็จะได้มีสิ่งที่ดีที่งาม รอรับเราอยู่ข้างหน้าทำให้พกชาติข้างหน้าของเรามีแต่จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้สรงสะสม <c oughs> บุญบารมีมาทุกภพกทุกชาติไม่ว่าจะเกิดมาในภพไหนชาติไหนถ้าได้เป็นมนุษย์ก็จะต้องมีการทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ทำบาปทำกรรมไม่สร้างเวรสร้างกรรมให้กับใครยอมเป็นผู้แพ้มควมว่าผู้แพ้นี้ในในความเป็นจริงแล้วก็คือเป็นผู้ที่ชนะที่แท้จริงคือชนะกิเลสสมารทั้งหลายที่เป็นเหตุที่ผูกมัดให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นเอง<ม>เวลาที่เราแพ้นั้นเราชนะกิเลสสมาร คือเราชนะความโกรธความโลภความหลงซึ่งเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับจิตใจเลยมีแต่จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราถ้าเราชนะแบบกิเลสคือเราชนะผู้อื่นด้วยการทําร้ายเขาก็ดีด้วยการเบียดเบียนเขาก็ดีด้วยการแข่งแย่งชิงดีก็ดี เราเราได้สมบัติเราได้เข้าของมาแต่สิ่งที่เราเสือ่อมเสื่อมเสียไปก็คือความเป็นพระที่มีอยู่ในใจของเรานั่นเองพระต้องต้องรู้จักแพ้พระไม่ต้องการชนะใครพระต้องการชนะตนเท่านั้นเพราะไม่มีการชนะอันใดจะประเสริฐเท่ากับการชนะตนเมื่อชนะตนแล้วทุกอย่างก็จบสงบลง กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจที่สร้างความว้าวุ่นขุนบัวของจิตก็จะสงบตัวลงเมื่อเมื่อสงบตัวลงแล้วจิตก็จะสงบมีความสุขมีความอิ่มมีความพอมีความภูมิใจแต่ถ้าไปชนะภายนอกชนะผู้อื่นก็จะไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเขา เมื่อเขาแพ้เราเขาก็จะต้องเกิดความอาฆาตพยาบาทเกิดความโกรธแค้นที่จะต้องจองเวรจองกรรมกับเราแล้วก็ไม่ใช่เป็นการชนะที่ถาวรเพราะคนในโลกนี้ไม่ใช่มีเพียงคนเดียวมีเป็นล้านๆชนะคนนี้เดี๋ยวก็มีคนหนึ่งที่จะมาท้าท้าชิงตำแหน่งอีกต่อไปอีกก็มีอยู่ไปเรื่อยจนในที่สุดก็ต้องแพ้เขา เพราะว่าไม่มีใครที่จะอยู่ในโลกนี้ที่จะเป็นผู้ชนะได้ไปตลอดเพราะโดยธรรมชาติของสังขารร่างกายก็บอกแล้วว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องอ่อนลงแก่ลงไปกำลงกลังวังชาก็จะต้องถดถอยน้อยลงไปแล้วจะมีจะเอาอะไรไปต่อสู้กับผู้อื่นได้ <c oughs> แต่ถ้าเราเอาชนะพิษภัยคือกิเลสสมาร ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วสงรามในจิตของเราก็จะสงบหนุจะไม่มีการต่อสู้กันระหว่างความโลภกับความไม่โลภความโกรธกับความไม่โกรธความหลงกับความไม่หลงเพราะเมื่อความโลภความโกรธความหลงถูกทำลายหมดสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับจิตใจต่อไป จี่ใจก็จะอยู่ได้อย่างด้วยความนุ่มเย็นเป็นสุขไม่มีความหิวความกระหายไม่มีความต้องการอะไรภายนอกอีกต่อไปมีความรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจอยู่ในใจที่สงบนะครับจากกิเลสสมานทั้งหลายปัญหาทั้งหลายของใจจึงไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนสิ่งภายนอกเช่นขาดแคลนทรัพย ราดยศสลรเสริญสูงแต่ปัญหาของจิตใจนั้นอยู่ที่การขาดแคลนธรรมะอันเป็นเครื่องมือหรืออาวุธที่จะใช้ทำลายกิเลสสมาที่สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับใจไม่รู้จักจบจากสิน้นนี่แหละจึงเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนพวกเราให้ทำความดีให้เพราะความดีนี้ก็คือธรรมะนั่นเอง การทำความดีท่านก็หมายถึงว่าการทำอะไรก็ได้ทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์และไม่มีโทษกับตัวเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นก็ดีถือว่าเป็นธรรมะเมื่อทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นอย่างการให้ทาน อย่างวันในวันนี้ที่ญาติโยมมาทำกันญาติโยมก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นคือกับพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ได้รับปัจจัยสี่คืออาหารบิณฑบาตจีวรยารักษาโรคที่อยู่อาศัยส่วนญาติโยมได้รับก็คือความสงบความสุขจิตของจิตใจที่เกิดจากระงรับดับของ กิเลสคือความโลภความตหณีความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุเข้าของเงินทอง เ, เมื่อเราคลายเราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ความกังวลใจเกี่ยวกับสมบัติเข้าของเงินทองที่เคยเป็นภาระที่เราต้องแบกต้องคอยดูแลอยู่ก็หมดไปแต่ถ้าเราไม่ได้ เราไม่ได้เสียสละเราไม่ได้ให้สมบัติเข้าของเหล่านั้นก็ยังอยู่กับเราเราก็ต้องกลายเป็นผู้ดูแลรักษาสมบัติเข้าของชิ้นนั้นต่อไปจนวันตายแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากสมบัติเข้าวของอันนั้นหลังจากที่เราตายไปเพราะเราไม่ได้เอาสมบัติเข้าของเหล่านั้นมาแปลงมาเปลี่ยนให้เป็นบุญเป็นกุศลคือเป็นธรรมะที่ไปดับ กิเลสภายใ น, นจิตใจเมื่อมเมื่อกิเลสยังไม่ดับเวลาไปก็ต้องไปแบบกิเลสพาไปคือไปด้วยความทุกข์ไปด้วยความวุ่นวายใจแล้วก็ต้องถูกกิเลสหลอกพาให้เป็นอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆต่อไปทุกภพทุกชาติแต่ถ้าเราปฏิบัติตามที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอน ดังที่ได้มากระทํากันในวันนี้เราตัดใจยอมเสียสละยอมให้สิ่งที่เป็นของมีค่าในของเราเราให้ไปแล้วแทนที่ใจของเราจะทุกข์ใจกับเรืของเรากับมีความสุขเพราะสบายใจเบาใจเพราะว่าสมบัติเข้าของเงินทองนี้ก็เหมือนกับของที่เราแบกอยู่บนบ่า เวลาเราปลดเลือกออกจากบาเราให้ผู้อื่นไปมันก็เบาใจผู้อื่นถ้าเขาโง่เขารับไปแล้วเขาจะไปแบกต่อมันก็เป็นกรรมของเขาแต่ถ้าเขาเป็นผู้ที่ฉลาดเขาก็จะรับเอาไปทำประโยชน์ต่อไปเช่นเอาไปดูแลรักษาร่างกายของเขาให้อยู่ได้อย่างสุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถ้ามีเหลืออยู่ ก็เอาไปจำหน่าย จ, จ่ายแจกเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปไม่สะสมเก็บเอาไว้ให้กลายเป็นภาระที่จะต้องมาแบกหามมาคอยเฝ้าดูแลอีกต่อห น, นึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เมื่อเราให้ของนั้นไปแล้วเราอย่าไปกังวลว่าบุคคลที่รับของนั้นเขาจะไปทำอะไรอย่างไรเพราะมัน <c oughs> สุดวิสัยของเราแล้วมัน มันพ้นจากหน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ให้เมื่อเราให้ไปแล้วเขาจะไปทำดีทำชั่วยอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเรารู้ทีหลังว่าเขาไปทำในสิ่งที่เกิดโทษไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเขาเองและกับผู้อื่นต่อไปเราก็ไม่ต้องไปให้เขาอีก mm hmm. เพื่อเป็นการป้องกัน เพื่อเป็นการไม่ส่งเสริมให้เขาไปในทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามซึ่งจะเกิดโทษกับตัวเขาเองและกับผู้อื่นนั่นเองแต่เวลาที่เราให้กันแล้วก็ขอให้เราตัดใจคิดเสียว่าของนั้นไม่ได้เป็นของของเราแล้ ว, ลวอย่ากลับไปที่บ้านแล้วเกิดความรู้สึกว่าเสียดายของที่นั้นแล้วอยากจะได้ของที่นั้นกลับคืนมาอย่างนี้ จะกลายเป็นกิเลสไม่ใช่เป็นธรรมะเพราะเกิดความโลภอีกแล้วเพราะเดินทีที่เราให้ก็เพื่อที่จะตัดความโลภความยึดติดในสมบัติชิ้นนั้นนั่นเอง mm hmm. เมื่อเราให้ไปแล้วขอให้เราให้แบบให้มันขาดจากใจของเราไปอย่าไปถือว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอีกต่อไปเราเมื่อเราให้แล้วถือว่าเราหมดสิทธิสมบัติชิ้นนั้นแล้วเป็นสมบัติของผู้อื่น ถ้าเราทําอย่างนี้ได้ใจของเราจะเบาใจของเราจะมีความสุขแล้วถ้าเกิดเราต้องตายไปแบบทันทีทันใดเราก็จะไปสู่สุคติแต่ถ้าจิตใจของเรายังมีความผูกพันอยู่กับสมบัติก้อนนั้นอยู่ดีไม่ดีเราอาจจะต้องกลับมาเกิดในสถานที่ใกล้กับวัตถุสมบัติชิ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ขอให้ได้เกิดเพราะมีความ ถูกพันถ้าต้องไปเกิดในท้องของศุนั์ก็ยินดีต้องไปเกิดในท้องของจิ้งจกตุกแกก็ยินดีทั้งๆ ท, ที่ได้ทำบุญและคนที่จะเสวยบุญแต่กับถูกถกกรรมที่หนากว่าที่หนักกว่าคือความห่วงใยความอะไรอววรความยึดติดในสมบัติชิ้นนั้นทำให้ต้องกลับมาเกิดเป็น อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะอยากจะอยู่ใกล้กับสมบัติชิ้นนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราทำบุญยึงขอให้เราทำความเข้าใจว่าเราทำบุญเพื่อปล่อยวางเพื่อตัดเพราะความจริงแล้วไม่มีอะไรที่จิตใจต้องมีเลยถ้าจิตใจชำระกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวคอย ดึงจิตให้ไปผูกติดอยู่กับสิ่งต่างๆแล้วถ้าไม่มีตัวที่ดึงไปติดให้ไปผูกติดอยู่กับสิ่งต่างๆแล้วรับรองได้ว่าอยู่เฉยๆก็มีความสุขและจะมีความสุขยิ่งกว่ามีสมบัติซิเพราะสมบัติถ้าเราไปผูกติดไว้เราก็กลายเป็นเหมือนกับคนพิการที่ต้องอาศัยไม่เท้าหรือรถเข็น ไว้เป็นเครื่องมือช่วยพาให้เราไปไหนมาไหนทั้งๆ ท, ที่เราไม่ใช่เป็นคนพิการเราสามารถเดินได้ด้วยตัวของเราเองแต่เพราะความหลงความเกียดคร้านทำให้เราคิดว่าถ้ามีรถเข็นหรือมีไม้เท้าแล้วเราจะเดินสะดวกกว่าเราจะไปไหนมาไหนสะดวกกว่าแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดไม้เท้านั้นหายไปหรือรถเข็นคันนั้นหายไป เราก็จะต้องเดือดร้อนวุ่นวายฉันใดสิ่งต่าง ๆ, ๆ, ๆที่เราไปยึดไปติดไปพึ่งพาอาศัยเช่นสมบัติเข้าของเงินทองลาภยศเสริญกามสุขทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยเลยแต่เนื่องจากเราถูกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าถ้าเรามี ราบยศสารเสริญกรรมมาสุขแล้วเราจะมีความสุขอย่างยิ่งแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะเรากลับมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะเราต้องมีความห่วงความกังวลว่าเราจะมีลาบยศสารเสริญกรรมาสุขไปอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือว่าวันดีคืนดีเกิดจะเกิดสิ่งเหล่านี้จะต้องสูญสลายจากเราไป ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นเวลาคนที่ไปติดติดคุกติดตารางก็เหมือนกับสูญเสี ย, าดดยสลาบยศเสริญการมาสุดไปหมดซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มาทันทีทันใดก็ได้ถ้าจิตใจของเราไม่มีธรรมะไว้คอยดูแลรักษาเกิดวันดีขึ้นดีเกิดอารมณ์บูดอารมณ์เบี้ยว<ม>เกิดความบ้าคลั่งขึ้นมาไปฆ่าผู้อื่นเข้า อย่างนี้ก็อาจจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยอาศัยให้ความสุขกับเราแล้วก็ต้องไปอยู่ในคุกในตารางบทอิสระภาพบทกับกับเรื่องราบยศราเสริมกรรมมสรขเพราะว่าเรื่องของกรรมมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนั่ น, น, นเองอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเราเข้าใจถึงหลักความจริงอันนี้ว่าสิ่งต่างๆภายนอกนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับเราเราไม่ควรที่จะไปเพิ่งสิ่งเหล่านั้นแต่เราควรที่จะเพิ่งสิ่งที่มีอยู่ภายในใจของเราคือใจที่สงบนั่นแหละใจที่สะอาดใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เกิดจากการทำความดีต่อสู้กับความโลภต่อสู้กับความอยากพยายามอยู่แบบง่ายๆเรียบๆพอมีพอกินก็พอแล้วอย่าไปหลงพุ้งเพ้อกับ <c oughs> สิ่งต่างๆภายนอกมันเป็นของหลอกมันไม่ใช่เป็นของจริงมันไม่ได้ให้ความสุขแต่มันให้ความทุกข์ความว้าวุ่นความวุ่นวายใจกับเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราถูกอยู่แบบเรียบเรียบง่ายๆตามมีตามเกิดได้ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีความสุขภายในจิตใจจะมีความสงบมีความอิ่มมีความพอและจะไม่หวั่นไหวกับการเจริญเรื่อนการเสื่อมของลาบยศรสเสริญการมสุขเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปติดเราไม่ได้ไปพึ่งสิ่งเหล่านั้น เป็นเครื่องให้ความสุขกับเราสมมติว่าเราฝึกอยู่แบบเรียบๆง่ายๆได้ตามมีตามเกิดเช่นพระอยู่กันถ้าเกิดเราต้องไปเข้าคุกเข้าตารางเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเท่าไหร่เลยเพราะคุกตาราง ก, กับการมาอยู่ในวัด น, นี้ก็ไม่แตกต่างกันอย่างไรเวลามาบวชก็เหมือนติดคุกติดตารางเหมือนกันเพียงแต่ว่าการติดคุกติดตารางเป็นไปใน ลักษณะของความพอใจความสมัครใจผู้ที่มาบวชนี้มาบวช ด, ด้วยความสมัครใจไม่ได้มีใครเอาเปินที่หลังบังคับมาให้บวชแต่มีอุปนิสัยมีศรัทธาความเชื่อว่าการอยู่แบบเรียบง่ายอย่างนักบวชนั้นเป็นวิธีทางที่ที่ถูกที่ควรที่จะให้ความสุขที่แท้จริง เป็นวิถีทางแห่งการดับทุกข์อย่างแท้จริงถ้าเราสามารถอยู่แบบนักบวชได้คือยินดีกับสภาพที่ตนเองมีอยู่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นอนที่ไหนก็นอนได้ถ้าไม่มีกุฏิมีโคนไม้ก็นอนที่โคนไม้มีถ้าก็นอนที่ในถ้ำมีเรือนร้างก็นอนในเรือนร้างที่ไหนก็ได้พอหลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ได้แล้ว เพราะเราไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวโจรขโมยจะมาทำร้ายเราเพราะเราไม่มีสมบัติอะไรผู้ที่จะถูกโจรขโมยมาทำร้ายมาป้นมาจี้ก็เป็นคนที่มีสมบัติเงินทองต่างหากถ้าลองใส่ใส่เพชรใส่ทองให้เต็มตัวแล้วเดินไปคนเดียวในที่เปลี่ยวดูรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกเา้าจี้เขาต้นอย่างแน่นอนดังนั้น เ, เงินทองราบยศถ้าเราไม่รู้จักดูแลรักษาหรือไม่รู้จักวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะกลายเป็นโทษขึ้นมาได้จะกลายเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องตายไปอย่างกระทันหันก็เป็นได้อย่างคนในสมัยนี้บางคนกลัวคนอื่นเขาจะดูถูกเหยียดหยาว่าเป็นคนไม่มีฐานะจึงต้องตะเกียกตะกายไปหาซื้อเครื่องเครื่องเพชรลินจินดา ทองต่างๆมาใส่เพื่อให้คนอื่นเขารู้ว่าตนเองนั้นมีฐานะมีเงินทองแต่ในขณะเดียวกันก็เลยกลายเป็นเป้าของอาชญากรไปถ้าเผลอก็ดีไม่ดีก็อาจจะต้องเสียชีวิตไปได้ <c oughs> นี่ก็เป็นเพราะความหลงนั่นเองคิดว่าคนเราจะมีความสุขมีหน้ามีตามีเกียรติ <c oughs> ก็ต่อเมื่อเรามีราษฎรสรรเสริญกามสุข แต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าราบยศเสริญการมาสุขนั้นไม่ใช่เป็นเหตุไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์หรือให้มีความสุขเพราะพระพุทธเจ้าก็เคยมีราบยศเสริญการมาสุขมากมายในฐานะของราชภูมิ แต่ก็ได้สัมผัสมาแล้วแล้วก็รู้ว่าไม่ได้ให้ความสุดที่แท้จริงภายในจิตใจในจิตใจก็ยังมีความห่วงมีความกังวลอยู่เกี่ยวกับความเกี่ยวกับฐานะของตนว่าจะหมดสิ้นไปวันใดวันหนึ่งเมื่อไรก็ไม่รู้ความกังวลอันนี้ก็คือความทุกข์นั่นเองแต่เมื่อลองได้สลัดสลาออกจากราชสมบัติแล้วมาอยู่แบบ นับบุญอยู่แบบเรียบง่ายต่อสู้กับกิเลสมานที่คอยชักชักใหญ่ชักจูงให้ไปหารากยศสรเสริญการมรุสุจนกระทั่งกิเลสมานที่มีอยู่ในจิตใจนั้นถูกทําลายจนหมดสิ้นไปก็เลยไม่มีตัวใดที่จะมาคอยผลักมาคอยดึงให้ไปหาราบยศสรรเสริญการมรุสุจรใจเมื่อไม่มีตัวคอยผลักคอยดัน ก็อยู่อย่างสบบอยู่อย่างสบายเพราะนี่คือธรรมชาติของใจใจที่สะอาดใจที่บริสุทธิ์นั้นจะเป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยปรมสุขปรังสุขขัง น, นั่นคือสภาพยุทธธรรมชาติของใจที่พวกเราทุกคนสามารถดัดแปลงให้เป็นไปได้ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน ด้วยความไม่ประมาทคือพยายามทำความเข้าใจว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้เกิดมาเพื่อทำบุญทำประโยชน์เท่านั้นเพราะเมื่อทำไปแล้วประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเป็นหลักและกับผู้อื่นเป็นรองเพราะประโยชน์ที่เราได้รับก็คือการชําระกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างภบสร้างชาติให้กับเรานั้นให้ถูกทาลาย จนหมดสิ้นไปเมื่อหมดสิ้นไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องมีปัญหากับอะไรทั้งสิ้นเพราะจิตสามารถอยู่ตามลำพังของตัวเองได้ไม่ต้องมีอะไรภายนอกมีความสุขแล้วมีความพอแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตก็จะหมดปัญหาไปไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปทำอะไรอีก อยู่อย่างนั้นไปตลอดอนันตการนั่นคือธรรมชาติของจิตที่สะอาดโดยสุดจิตที่ได้รับการชำระจากการปฏิบัติธรรมตามที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติคือทำประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาณคือทำบุญทาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมทุกเมื่อเชื่อวัน มีเวลาว่างตอนไหนก็รีบมาทำเสียอย่าปล่อยให้มันผ่านไปชีวิตของเรามีหน้า